วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมการอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการเติมพลังให้แก่จิตใจเติมเชื้อเพลิงให้แก่จิตใจเพื่อ ใจิตใจจะได้มีกำลังวังชาที่จะเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้เปลียเหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์เราต้องแวะจอดตามสถานีบริการ ช่วงที่ระยะที่เราเดินทางเพราะระยะทางที่เราไปนี้มันไกลเกินกว่าที่จะเติมน้ำมันครั้งเดียวเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยเราจึงต้องแวะเติมอยู่เรื่อยๆตราบใดที่เรายัางเดินไม่ถึง จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปเราก็ต้องคอยจอดแวะเติมน้ำมันเพราะน้ำมันจะหมดถ้าเราไม่คอยเติมการมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการตเติมตเติมพลังให้แก่จิตใจคือคุณธรรมห้าประการด้วยกัน ได้แก่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงค์วิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสสติการระลึกครู 4. สมาธิการตั้งมั่นของจิตใจ 5. ปัญญาความฉลาดรอบรู้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมทั้งหลายนี่คือคุณธรรมห้าประการที่เปรียบเป็นเหมือนพลังของจิตใจที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆการเติมนี้ก็ ต้องเลือกสถานที่เติมเพราะสถานีบริการบางสถานีอาจจะมีน้ำมันที่คุณภาพไม่ดีเติมแล้วทำให้รถชำรุดสุดโซมหรือเสียได้หรือทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นธรรมเนียมที่จะหาพระหาผู้รู้ที่มีความรู้สูงสูงดังที่มีธรรมเนียมกันว่าเวลาทําบุญให้เลือกพระเพราะพระแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นมีความรู้ความสามารถ ที่ไม่เท่าเทียมกันมีคุณธรรมที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้ไปศึกษาได้ไม่เท่ากันดังที่ได้เปรียบเปยกันว่าถ้าทำบุญกับคนธรรมดาปุถุชนคนดีมีศีลก็จะได้หนึ่งเท่า ถ้าทํากับนักบวชผู้ทรงศีลก็จะได้สิบเท่าถ้าทํากับนักบวชที่ได้สมาธิก็จะได้ร้อยเท่าถ้าทําบุญกับนักบวชที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะได้พันเท่าพระสกิดาคามีก็ได้หมื่นเท่า พระอนาคามีก็ได้แสนเท่าพระอาราหันต์ก็ได้ล้านเท่าพระพุทธเจ้าก็ได้ร้อยล้านเท่าเพราะธรรมะที่แต่ละองค์จะมอบให้แก่ผู้ฟังนั้นมีไม่เท่ากันนั่นเองนี่คือธรรมเนียมที่เวลาทำบุญ จะต้องเลือกพระถ้าเราต้องการเติมพลังให้แก่จิตใจถ้าเราต้องการให้จิตใจมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาดังในสมัยพระพุทธการผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า มักจะเกิดศรัทธาเกิดสติเกิดวิรยิยะเกิดสมาธิเกิดปัญญากันบางท่านหลังจากได้ฟังทำแล้วก็บรรลุทำขั้นต่างๆกันแล้วก็ขอแสดงตนเองเป็นพุทธมามะกะขอนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่ง บางคนก็ขอบวชเป็นพระกันนี่คืออํานาจของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนไม่มีอะไรแปลกปลอมผู้ฟัง ถ้าฟังด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ที่จดจอ่อคอยฟังทุกบททุกบาทก็จะสามารถรับประโยชน์จากการฟังได้สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลขั้นต่างๆได้ตามกำลังเอินดีตามกำลังความรู้ความสามารถ ของผู้ฟังที่จะสามารถน้อมเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังเข้ามาสู่ใจได้อย่างสมัยขั้งแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ <c oughs> พระธรรมคาสอนในพระปัญจในพระปฐ ม, มเทศนาที่มีชื่อว่าพระธรรมมาจากกับปวัตตนสูตร ได้ทรงแสดงทําให้แกพระปัญจวัคคีเป็นผู้ที่ได้บวชแล้วได้รักษาศีลแล้วได้ฌานได้สมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาพราะได้ยินได้ฟังมรรคแปดได้ยินได้ฟังอริยสัจสีได้ยินได้ฟังอนิจจังทุกขังอนัตตา หนึ่งในพระปัญจวักกีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมานี่คือการได้พลังได้ศรัทธาได้วิริยะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาในระดับต่างๆกันไปหลังจากนั้นทรงสแสดงธรรมอีกสองสามครั้ง พระปัญจวัคีทั้งห้าก็ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมและน้อมนำเอาธรรมนั้นเข้าสู่ใจเข้าไปทำลายความมืดบอดโมหะอวิชชา ที่หลอกให้จิตต้องไปยึดไปติดกับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอทรงที่ให้เห็นว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาพอเห็นแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในใจ เห็ว่าถูกความหลงความมืดบอดของใจหลอกให้ตปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็ปล่อยไม่ยึดไม่ติดไม่อยากเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นใจก็หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมก็จะไม่มีพระอาหารหันตาสาวกปรากฏขึ้นมาเลยพระอาหารหันตาสาวกปรากฏขึ้นมาเพราะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนทรงสแสดง ทำที่จะทาให้จิตใจของสัตว์โลกนั้นสว่างสวยเห็นเหตุของทุกข์เห็นเหตุของสุขเห็นวิธีการที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดปจากจิตจากใจได้เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเกิดจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละคนนี้ก็จะได้รับประโยชน์กันแตกต่างกันไปแต่ประโยชน์ได้รับอย่างแน่นอนบางคนก็เกิดศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอประกาศตนเองเป็นพุทธมามะกะบางคนฟังธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกก็ขอบวชในบวรพุทธศาสนาบางคนฟังแล้วก็เกิดฉันทะวิริยะเกิดความอุตสาหะภาคเพียนนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามลำดับต่อมา นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้ประโยชน์ให้ได้คุณธรรมห้าประการให้ได้ศรัทธาให้ได้วิริยะให้ได้สติให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเวลาฟังแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมา เพราะว่าจะมีกับพระรู้ว่าถ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ปฏิบัติจะได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้รับผลอะไรปฏิบัติไปก็จะอาจจะเสื่อมศรัทธาลงไปถ้าปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติน้อยไป แล้วผลยังไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาได้พอเกิดความลังเลสงสัยความอุตสาหาภาคเพียงก็จะอ่อนกำลังลงไปแต่ถ้าได้รับการได้ยินได้ฟังได้รับการยืนยันว่าทำไปเถิดถูกแล้วเองแต่ว่าขอให้ทำให้มากขึ้นไปเท่านั้น แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าได้รับการยืนยันความศรัทธาที่เสื่อมลงไปก็จะฟื้นฟืน้นขึ้นมาวิรยะความโุสาหาภาคเพลียนทีส่สงบตัวลงไปก็จะตื่นตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านถึงพยายามที่จะคอยอบรม ลูกศิษย์ลูกหาอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะทุกครั้งที่เวลาได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จิตใจจะเกิดความกระตือเร้รนขึ้นมาเกิดความยินดีที่จะประกอบความเพียรหลังจากฟังเทศฟังธรรมแล้วก็กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อเลยเวลา พักหลับนอนเพราะเกิดพลังขึ้นมาในใจครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหามาก่อนท่านก็คอยเห็นคุณประโยชน์เห็นอนิสงของการแสดงธรรมของการฟังเทศฟังธรรมว่าเป็นเหมือนกับเติมพลังให้แก่จิตใจทำให้ อยากที่จะเจริญสติอยากที่จะเจริญสมาธิอยากที่จะเจริญปัญญาเพราะทำเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการบรรลุขั้นต่างๆบรรลุขั้นสมาธิบรรลุขั้นปัญญาอรุบรรลุขั้นอริยมรรคอริยผล บรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาขั้นต่างๆนี้เองเวลาที่ฟังเทศฟังธรรมถ้าอยากจะให้ได้เกิดอนิสง์ทั้งห้าประการนี้ขึ้นมาก็ต้องฟังด้วยใจที่สงบใจที่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรม ร่างกายก็ต้องนั่งอยู่ในความสงบวาจาก็จะไม่มีการสนทนาไม่มีการพูดคุยกันเพราะถ้ามีการกระทําทางร่างกายเช่นร่างกายทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ในขณะที่ฟังธรรมหรือสนทนาคุยกันหรือใจคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ การฟังธรรมก็จะไม่ได้อนิสงส์ไม่ได้ประโยชน์จะไม่ได้ศรัทธาวิริยะจะไม่รู้จักวิธีเจริญสติสมาธิและปัญญาได้ดังที่มีลูกศิษย์ลูกหามักจะมาเล่าให้ฟังว่าชอบฟังเทศฟังธรรมในขณะที่ทำภารกิจการงานต่างๆ การฟังเทศฟังธรรมนี้ดีกว่าการฟังอย่างอื่นแต่อันที่สองที่จะได้รับมากน้อยอยู่ที่ว่ากายวาจาใจนี้ตั้งอยู่ในความสงบหรือไม่ถ้ากายวาจาใจไม่อยู่ในความสงบทาภารกิจต่างๆการที่จะซึม ดูดซึมธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเข้าสู่ใจนี้จะได้ไม่เต็มที่จะได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะการฟังจะไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องเพราะใจต้องส่งไปที่การกระทาทางกายต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานการที่กำลังทำอยู่ใจก็จะไม่ได้ ฟังอย่างต่อเนื่องเมื่อฟังไม่ต่อเนื่องเหตุผลก็จะขาดตอนไปฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจได้ก็จะไม่สามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ห้ามหรือปฏิเสธไม่ให้ฟังทำในขณะที่ทำภารกิจต่างๆ ถ้ามีนิสัยชอบฟังอย่างอื่นในขณะที่ทำพาลกิจต่างๆเช่นฟังเพลงแล้วพอมาได้ยินได้ฟังธรรมเห็นว่าการฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์กว่าก็ฟังธรรมแทนฟังเพลงอย่างนี้ก็ถือว่าดีกว่าถือว่าได้รับการพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มที่เท่านั้นยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการฟังเทศฟังธรรมถ้าจะฟังเทศฟังธรรมก็ควรที่จะนั่งอยู่ในกายวาจาใจที่สงบแล้วการฟังธรรมจะได้เต็มร้อยทุกบททุกบาทที่ได้ยินได้ฟังก็จะเข้าไปสู่ใจได้ การฟังเทศฟังธรรมจึงมีธรรมเียมว่าจะต้องตั้งอยู่ในความสงบทางกายทางวาจาและทางใจความสงบทางกายทางวาจาจึงเรียกว่าศีลความสงบทางใจเรียกว่าสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิรองรับธรรมของพระพุทธเจ้าปัญญาก็จะเกิดขึ้นมา เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ที่เรียกว่าภาวนามยัปปัญญาถ้าผู้ฟังสามารถพิจารณาตามและน้อมนำเอามาทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถ้าไม่สามารถน้อมเอาธรรมเข้ามา ดับกิเลสได้ก็จะเป็นสุตตะไมยะปัญญาเป็นความรู้ที่ได้ยินได้ฟังที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่ได้น้อมนำเข้ามาทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ภายในใจกิเลสตัณหายังไม่ตายก็เลยยังไม่ได้บรรลุธรรม ถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องนำเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังที่เรียกว่าสุตตมัจปัญญานี้มาเจริญต่อน้อมเอาเข้ามาในจิตใจเอาเข้ามาทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปให้ได้ การฟังแล้วยังไม่ได้นำเอามาปฏิบัติต่อกิเลสตัณหาก็ยังจะไม่ทำให้ได้เกิดผลขึ้นมาและเมื่อฟังแล้วก็ต้องนำเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่เอามาทบทวนไม่เอามาพิจารณาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั้น ก็จะถูกเรื่องอื่นกลบไปได้เพราะชีวิตของเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นเรื่องภารกิจการงานต่างๆพอเสร็จจากการฟังเทศฟังธรรมก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี้ก็จะถูกกลบหายไปจนลืมไปลืมไปว่าวันนี้ได้มาฟังเทศฟังธรรม อะไรบ้างเลยไม่สามารถนําเอาธรรมะนี้ไปทําประโยชน์ได้ไปเติมพลังให้แกจ่จิตใจได้ศรัทธาที่มีอยู่เท่าไหร่ก็มีอยู่เท่าเดิมวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่มีอยู่เท่าไหร่ก็มีอยู่เท่าเดิมการเจริญสติสมาธิปัญญาก็จะ อยู่เท่าเดิมจะไม่ได้มีการเพิ่มให้มากขึ้นไปแต่ถ้าฟังแล้วเอามาทบทวนแล้วจำได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทำให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดถ้ายังไม่มีสติก็พยายามมาสร้างสติกันถ้ายังไม่มีสมาธิ ก็พยายามนั่งสมาธิกันถ้ายัางไม่มีปัญญาก็หมั่นพิจารณาสัจธรรมความจริงพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหารเรปฏิกูรลสัญญาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาอาริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธนา ที่อยู่ในกายในใจนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนสิ่งที่เราค้นหากันนี้อยู่ในร่างกายและจิตใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเวลามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นในใจของเราเวลาบรรลุธรรมก็บรรลุในใจของเรา ไม่ได้ไปบรรลุที่ไหนดังนั้นถ้าเราฟังธรรมแล้วเรายังไม่บรรลุเราก็ต้องเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาทบทวนมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาปฏิบัติเพิ่มเติมธรรมที่เรายังไม่มีให้มีขึ้นถ้าเรายังไม่มีศีลห้าเราก็ต้อง รักษาศีลห้าให้ได้ถ้าเรายังไม่มีศีลแปดรักษาได้แต่ศีลห้าแต่ศีลแปดยังไม่มีก็ต้องเริ่มรักษาศีลแปดถ้าเรายังไม่ได้เปลีกวิเวกไม่ได้ออกไปอยู่ตามที่สงบสงดัดที่กายวิเวกเราก็ต้องออกไปหาที่สงบสงัดวิเวก เพื่อที่เราจะได้เจริญสติที่เรายังไม่มีอยู่ให้มีสติอย่างต่อเนื่องให้ใจไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดในอดีตไม่ไปคิดในอนาคตให้อยู่ปัจจุบันกับอารมณ์ที่ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาอารมณ์ที่ผูกใจนี้ท่านก็ตั้งชื่อว่ากรรมฐาน ก็มีอยู่4ีสจชนิดด้วยกันเช่นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพระนามของพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่อย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่สามารถลอยไปในอดีตหรือไปในอนาคตได้ ใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันเรียกว่ามีสติจ ะ, จะเจริญบทพระพุทธคุณก็ได้เช่สนสวดอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอันนี้ก็สามารถจเจริญสติได้ดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ไม่ให้ ลอยไปในอดีตลอยไปในอนาคตเพราใจจะเข้าสู่ความสงบใจจะรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาได้จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันและไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆการคิดอยู่กับบทสวดมนต์ืออยู่กับการบริกรรมพุทโธนี้จะทำให้ใจสงบหยุดความคิดปรุงแต่ง ทั้งหมดได้ถ้าเรายัางไม่สามารถทําใจให้รวมเราก็ต้องพยายามเพียนไปเรื่อยๆเพียนเจริญสติไปเรื่อยๆสติเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสมาธิตามมาการดูจิตการเฝ้าดูเฉยๆนั้นจะไม่สามารถที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้นะ ถ้าเป็นจริตที่ใช้ปัญญาเป็นจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ให้พิจารณาตายรักอย่างเดียวให้พิจารณาเช่นความตายความตายนี้ก็เป็นอนิจจงเรียกว่ามรณะนสติหรือให้พิจารณาอสุภะก็ได้เช่นท่องอยู่ในกายนครดูอาการสามสิบสอง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 ท่องอยู่ในกายนครนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายยกตาสติอีกรูปแบบหนึ่งกายยสติที่เคยได้เล่าให้ฟังก็คือเฝ้าดูอิรียบทการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะดึงให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปลอยมา หรือจพิจารณาความตายเช่นลักษณะของร่างกายที่ตายไปแล้วสิบชนิดด้วยกันที่เรียกว่าศพสิบชนิดตายใหม่แล้วเป็นยังไงตายสามวันแล้วเป็นยังไงเวลาถูกแรงอากัดกินไปแล้วเป็นยังไงจนเหลือแต่โครงกระดูกการพิจารณาทำพิจารณาอสุภะ นี้ก็เป็นการเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิได้เป็นกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบที่จะสามารถปลอมใจให้รวมเข้าสู่ความสงบได้บางท่านอาจจะถูกเจริตกับการเจริญอานาปนสติก็ดูลมหายใจเข้าออกในช่วงขณะที่นั่งอยู่เวลานั่งสมาธิ ก็ใช้อนาปนานสติเวลาทำภารกิจต่างๆก็ใช้กายกตาสติเราดูการกระทาของร่างกายเวลาไม่มีการกระทาเวลานั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้ว ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาเวลาอัปปนาเข้าสู่อัปปนานี้ใจจะเข้าสู่ความว่างปราศจากความคิดรุงแต่งแลวสักแต่ว่ารู้จะมีความสุขวีอุเบกขาเป็นความสุขที่เกิดจากอุเบกขาแล้วถ้าตั้งอยู่ในในสภาพนั้นก็ ปล่อยให้ตั้งอยู่ไปเท่าที่ใจนานที่สุดจนกว่าจิตจะถอนออกมาเองถ้ายังไม่ถอนก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆให้อยู่กับอุเบกขาไปให้นานที่สุดเพราะจะเป็นกำลังที่จะได้เอาอไปใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาด้วยปัญญาต่อไป ถ้าไปเจอสมาธิที่ไม่นิ่งไม่ว่างปรากฏมีสิ่งต่างๆให้รับรู้เป็นภาพเป็นเสียงเป็นแสงหรือเป็นอะไรก็ตามก็ให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นสมาธิที่เราต้องการเราก็ควรที่จ ะ, จะเริญสติดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราผูกใจเอาไว้อย่าตามไปรับรู้ เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏให้เห็นให้รู้ในขณะนั้นให้กลับเข้ามาหาลมหายใจหาคำบริกรรมพุทธโธภาวนาต่อไปเพราะนี่ยังไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเพราะถ้าได้สมาธิแบบนี้จะไม่ได้อุเบกขาจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหา จะไม่มีกำลังที่จะนำไปเจริญปัญญาได้เพราะติเลตัณหานี้ยังทำงานอยู่เวลาจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาความตายนี้าใจไม่มีอัปปนาสมาธิไม่ได้ออกจากสัปปนาสมาธิใจจะไม่มีอุเบกขาเวลาจะพิจารณา การตายหรืออสุภะนี้จะเกิดการต่อต้านจากกิเลสตัณหาจะไม่อยากพิจารณาจะมีอารมณ์ที่ขุนมัวจะมีอารมณ์ที่ซึมเศร้าได้เบื่อหน่ายได้จะไม่อยากจะพิจารณาก็จะไม่สามารถเห็นความจริงได้จะไม่สามารถเกิดปัญญาขึ้นมาได้ ปัญญานี่ก็คือการเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆนั่นเองกิเลสจะไม่ชอบให้เราเห็นความเสื่อมต่างๆกิเลส ช, ชอบให้เราเห็นแต่ความเจริญแต่ความเจริญนี้เป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดความจริงทั้งหมดนี้มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อม ถ้าเห็นแต่ความเจริญก็จะหลงยึดติดกับความเจริญได้พอเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาก็จะไม่สามารถรับกับความเสื่อมได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นทั้งเห็นความจริงทั้งหมดเห็นความเจริญแล้วก็เห็นความเสื่อมด้วยก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเสื่อม ที่จะตามมาหลังจากที่เกิดความเจริญขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อมีการเกิดมีการเจริญขึ้นมาแล้วย่อมมีการเสื่อมตามมาต่อไปถ้าไม่เห็นความเสื่อมก็จะยึดติดกับความเจริญก็จะเกิดตัณหาความอยากให้เจริญไปอย่างเดียวไม่อยากให้เสื่อม พอเกิดความเจริญเกิดความเสื่อมขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะจะเกิดความอยากไม่ให้เสือ่อมความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเช่นภาวะตันหาวิภาวะตันหาภาวะตันหาก็อยากจะให้เจริญวิภวะตันหาก็คืออยากไม่ให้เสือ่อมแต่ความเสื่อมนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปห้ามได้ ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมถึงเวลามันจะหมดมันก็หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดังนั้นถ้าอยากจะออกทางปัญญาต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิอย่าไปในอุปจาระสมาธิสมาธิที่มีนิมิตต่างๆให้รับรู้มีความสามารถ ทางเอธิลิตปาฏิหาร์ต่างๆซึ่งถึงแม้ว่าจะวิเศษจะตื่นแต้นหน้าตื่นแต้นหน้าดีอกหน้าดีใจกับความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้แต่มันไม่สามารถนำเอามาใช้กับการต่อสู้กับกิเลสตัณหาผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิ ต้องเป็นอุเบกขาต้องเป็นความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่กิเลสตัณหาพยายามจะสรรหามาให้ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเวลากิเลสตัณหาจะเสนอความสุขต่างๆมาให้นี้ใจจะสามารถปัดได้ไม่รับได้ ตัดได้กิเลสอยากจะให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปได้กิเลสอยากจะให้ไปดูไปฟังไปเดืม่มไปรับประทานก็ปัดได้เพราะเห็นได้ ว, ว่ามันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้นี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะต่อสู้ทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ตนเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้หมดไปจากใจด้วยการใช้ปัญญาพร้อมกับสมาธิที่ได้รับจากการเข้าไปในอัปปนาสมาธินี้เอาอุเบกขาที่ได้รับมานี้มาใช้ควบกู้กับปัญญาปัญญาที่สอนให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่กิเรตันหาเสนอมาให้เน้นเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวจะต้องมีวันเปลี่ยนไปวันหมดไปเวลาเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้รับนั้นก็จะเปลี่ยนไปหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะปฏิเสธ กับข้อเสนอต่างๆของกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาจะเสนอให้ลาบยศสรรเสริญให้ความสุขในรูปแบบไหนก็ตามก็จะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่เอาสู้เอาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่านี่คือเรื่องของการเจริญสติ เพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิเมื่อออกจากอัปปนาสมาธิก็ให้ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าระวังเวลากิเลสตัณหาเสนอความสุขต่างๆนี้อย่าไปหลงเชื่อเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันไม่เที่ยงและเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้ ให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดเวลาอย่างถาวรมีความสุขอย่างเดียวที่เราสามารถควบคุม บ, คบังคับให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาอยู่กับเราไปตลอดก็คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นอย่าไปเอาอะไรเอาความสงบนี้เท่านั้นพอแล้วจะไม่เสียใจ จะไม่มีการสูญเสียอะไรไปเพราะไม่มีอะไรจะเสียนั่นเองถ้ามีอะไรแล้วก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องมีวันเสริมมีวันหมดไปได้ลาบก็ต้องสูญลาบไปได้ยศก็ต้องสูญยศไปได้สรรเสริญก็ต้องสูญสรรเสริญไปได้นินทากลับมาได้สุข ก็ต้องศูนย์ไปได้ความทุกข์กลับมาแทนที่เพราะนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือถาวรมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เที่ยงแท้แน่นอนและถาวรก็คือใจและความสงบที่เกิดขึ้นภายในใจนี้ ก็จะเที่ยงแท้แน่นอนถาวรที่จะไม่มีวันหมดสิ้นไปนี่และที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิบานังปรามังสุขขังนี้ก็คือความสุขอันนี้ความสุขที่มีอยู่ภายในใจความสุขที่เกิดจากการได้ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวหลอกล่อให้ใจไปติดกับอยู่กับ กองอนิจังทุกขังอนัตตาหลอกล่อให้ไปติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุขกันพอได้ยินได้ฟังรมได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติก็จะพุ่งไปที่ความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะรักษาความสงบนั้นไว้เวลาที่จะมีกิลเลสตัณหามาหลอกล่อให้ ทำลายความสงบนั้นก็จะปฏิเสธจะไม่รับคําข้อเสนอต่างๆของกิเลสตัณหาจะให้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่เอาจะให้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรก็ไม่เอาจะให้รางวีรางวัลต่างๆก็จะไม่เอาจะให้ตาศาสราชวังจะให้อาหารที่วิเศษวิโส ใหไปอยู่ตามโรงแรมห้าดาวรับประทานอาหารห้าดาวเที่ยวระดับห้าดาวก็ไม่เอาเพราะของพวกนี้มันมีวันหมดเที่ยวแล้วก็หมดไปกินแล้วก็หมดไปดูแล้วฟังแล้วมันก็หมดไปความสุขที่ได้มันก็หมดไปแต่ความสุขที่ได้ภายในใจที่เกิดจากความสงบของใจนี้มันไม่มีวันหมด มันเจออยู่กับใจไปชั่วฟ้าดินสลายจะอยู่ไปตลอดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมของพ่พระพุทธเจ้าเราจะได้หูตาสว่างเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขและเราจะได้ไม่เข้าหาความทุกข์จะเข้าหาความสุขกัน ตอนนี้เรายังไม่มีธรรมะคอยสอนคอยเตือนใจถ้าเป็นแสงสว่างก็เป็นแสนงสวา่างชั่วครั้งชั่วคราวสวา่สวางก็ตอนที่ได้ฟังเทศฟังธรรมพอหยุดฟังเทศฟังธรรมไปก็เหมือนไฟดับเราไฟฟ้านี้หยุดทำงานจะทำงานต่อเมื่อเปิดฟังเทศฟังธรรมกันเท่านั้นดังน้เวลายามค่าคืน เกงมักจะมองไม่เห็นอะไรกันก็เลยไปคิดว่าความทุกข์เป็นความสุขกันเวลาไม่มีธรรมอยู่ในใจเวลาไม่มีธรรมคอยเตือนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงเราก็จะไปด๋อไปติดกับสิ่งต่างๆทันทีไปติดกับลาบยศสรรเสริญ แล้วก็ต้องมาเสียออกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางครั้งถอยกับต้องข้าวตัวตายไปก็เพราะว่าไม่มีธรรมะแสงสว่างคอยชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้เป็นความทุกข์นั่นเอง เราจึงต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆฟังแล้วเราก็ต้องนําเอาไปค่ายควรวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วนําเอาไปสร้างธรรมะต่างๆที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่มีศีลก็สร้างศีลขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีสมาไม่มีสติก็สร้างสติขึ้นมาไม่มีสมาธิก็สร้างสมาธิขึ้นมา ไม่มีปัญญาก็สร้างปัญญาขึ้นมาถ้ามีธรรมะเหล่านี้แล้วความมืดบอดต่างๆที่หลอกล่อใจให้ไปติดกับอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะถูกทาลายไปหมดเมื่อถูกทาลายไปหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเหลืออยู่แต่ความสุขที่เกิดจากการเจริญธรรมะ ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญนี้เองคือศีลสมาธิปัญญาสติมีแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะสงบจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นจะมีแต่ความสุขไปตลอดชั่วฟ้าดินเฉลายจึงขอให้พวกเราหมั่นพยายาม และจอดตามสถานีบริการต่างๆแวให้บ่อยกว่านี้เดือนละหนรู้สึกว่ามันจะน้อยไปหน่อยควรจะแวะทุกวันเช้ากลางวันเย็นสมัยนี้มีสถานีบริการไปส่งถึงที่บ้านเลยมีธรรมะอยู่ในบ้านแล้วมีสื่อต่างๆที่สามารถที่จะเติมพลังให้แก่ใจได้แล้ว อย่าไปเติมยาพิษกันอย่าไปเติมแสงสีเสียงให้แก่ใจให้เติมธรรมะกันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอามาพิจารณาค่ายควรจนไม่หลงไม่ลืมพอเวลาเกิดกเกเรตันหาขึ้นมาก็จะสามารถที่จะทำลายมันให้หมดไปจากจิตจากใจได้เมื่อหมดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไป นั่งกินนอนกินเป็นมาเสษฐีไปจนวันตายไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดเองต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราให้มีความเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราปฏิบัติ แล้วจิตใจของเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็จะเป็นการถางตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ดาบนบมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมเดชพบสีใสจากปทุมธานีก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบรรดาสาธุชนผู้มีศรัทธาที่ทำหนังสือทำซีดีของพระอาจารย์ได้อ่านครับผมเอาไปให้หลายคนเขาดีใจมากนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับ อาจารย์ครับผมอาจจะมีปัญหาหลายอย่างอยากจะถา ม, มานะครับการที่เราได้แนะนําคนให้มาฟังธรรมนะครับคี่พระอาจารย์แสดงเนี่ยนะครับอพอจะมีบุญมีกุศลมีปัญญาได้ไหมสาหรับตัวเราก็เป็นบุญเป็นหนึ่งในบุญสิประการที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คือให้ธรรมะแก่ผู้ ก็จะเราได้รับันิสองก็คือเราได้ความอิ่มเอิบใจได้ความสุขใจเปรียบเหมือนกับได้อาหารเราก็จะไม่ตั้งไปเว้นวุ่นวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้กับความสุขกับเราเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่เดือดร้อนครับผมผมไปใส่บาทเมื่อเช้าเนี่ยครับแต่แจน้องอายุประมาณยี่สิบกว่าแนะนำบอกว่า ไปฟังทำด้วยกันไหมที่เขาชิ อ, ออนอามีด้วยเหรอพี่มี ม, มีมีครับมีเขาดีใจมากเลยไอ้เรานี่ก็ อ, อรู้สึกสุขใจอย่างที่พระอาจารย์ท่านพูดแต่แต่ว่าเราจะได้บุญไหมเนาะ น, นี่คือคิดในใจ น, นะครับครับผมเราก็เรื่องที่สองครับเปินว่าผมก็พยายามนําธรรมะของท่านพระอาจารย์เนี่ยนะครับ เ, ออเจอใครก็อยากจะบอกแนะนํานะครับไปเจอแม่คะแล้วก็บอกว่าโอ้ธรรมะอาจารย์ดีมากนะ ไม่คราบอกเราให้หวยแ ม, นม่นไหมละ่ะอะไระผมก็คือไม่รู้จะพูดยังไงเอาอย่างนี้ถ้าอยากถูกหวยอ่ะนะครับภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธบ่อยๆเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่ถูกหวยเนี่ยเขาจะด่าผมหรือว่าไอ้นี่มาโกหกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราได้อนะครับตาจันปัญหาคือว่า ถ้าอย่างนี้ปุ๊บผมสมควรไหมหรือต่อไปไม่ต้องบอกแล้วอย่างนี้ครับไม่ควรบอ ก, รอกเพราะว่ามันไม่ตรงกับความจริงครับอืมครับผมกับออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมมาพบท่านพอาจารย์ น, น, นะครับรู้สึกปื้มปิตินะครับกราบลงแล้วก็หมอบลงเนี่ยนะครับมันปิติสุข คือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นอุปทานหรือเป็นอะไรไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามันอิ่มเ อ, อิบความรู้สึกอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก็อย่างที่คุณว่าละแหละผมมีนี่ครับถามต่อไปได้ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณนิพนธ์วิธีตัดกลรม กรรมกับพ่อแม่ทำอย่างไรครับกรรมนี่มันตัดไม่ได้แล้วก็ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ตัดไม่ได้เพราะว่าเป็นของที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราตัดพ่อแม่ก็เหมือนกับตัดแขนตัดขาของเราซึ่งเราคงจะไม่กล้าที่จะตัดแขนตัดขาเราฉันใด เราก็ไม่ควรที่จะไปตัดพ่อตัดแม่เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเรามากที่สุดในโลกนี้ต่อให้คนเขาให้เงินเรามาเป็นร้อยล้านพันล้านเงินร้อยล้านพันล้านนี้ก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับชีวิตที่พ่อแม่ให้มากับเราถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราก็จะไม่มีชีวิตนี้ดังนั้นอย่าไปคิดในทางนั้นเพราะเป็นความคิด ทางกิเลสตัณหาพ่อแม่อาจจะทำให้เราไม่พอใจไม่สบายใจแต่เราควรจะมองในแง่ที่ดีพ่อแม่ทุกคนในรักลูกอยากจะให้ลูกได้ดีเวลาพ่อแม่เห็นลูกทำอะไรไม่ถูกต้องเห็นการกระทำของลูกจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อความวิบัติต่างๆของลูกๆพ่อแม่ก็ต้องห้ามตาม ต้องคอยเตือนต้องคอยสั่งสอนถ้าเรามีกิเลสตัณหามากเราก็จะไม่ชอบคําเตือนคําสั่งสอนเพราะมันจะไปขัดกับกิเลสตัณหาของเรานั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามที่จะค่มใจเอาไว้อย่าให้ความคิดที่ไม่ดีนี้เกิดขึ้นมากับเราเพราะว่าเป็นการ เป็นการเนรคุณเป็นความเป็นการไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีผู้ใดไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีมีแต่ความเนรคุณนี้จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้เพราะคนอื่นถ้าเขารู้ว่าขนาดบิดามารดาอย่างเนรคุณได้แล้วคนอื่นที่ไม่มีพระคุณอย่างนั้นทำไมจะไม่เนรคุณต่อไป เขาก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมหรือสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ไม่มีความกระตันอยู่หรือคนที่เนรคุณแล้วถ้าไปคิดทำร้ายพ่อแม่นี่ก็เป็นบาปหนักยิ่งกว่าการไปทำร้ายผู้อื่นการฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดเทียบเท่ากับการฆ่าพระอรหันต์เทียบเท่ากับ ก, บก า, ารา ท, ทาทให้พระพุทธเจ้าห่อเลือด เทียบเท่ากับการทํายุยงให้สงเกิดความแตกแยกขึ้นมานี่คืออนัอนตอนันตาริยกรรมห้าประการด้วยกันที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นกรรมที่หนักที่สุดที่มนุษย์เราจะสามารถทําได้ดังนั้นเราต้องพยายามข่มใจและพยายามล้ำลึกถึงพระกุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆอย่างที่มีธรรมเนียมว่าให้เรากลาวพ่อกลาบแม่ หลังจากที่เรากราบพระแล้วทุกเช้าทุกเย็นไม่ได้หมายความว่าต้องไปกราบที่หน้าพ่อหน้าแม่เราอยู่ที่ไหนเราก็กราบได้การกราบนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้ลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่เพื่อที่เวลาที่เรามีความโกรธหรือมีความเกลียดขึ้นมาเราจะได้มีธรรมะอันนี้มาคอยระงับยับยัง้ง ว่าบุคคลที่เรากำลังโกรธกำลังเกลียดนี้เป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเราล้นฟ้าล้นมาหาสมุทรเพราะถ้าไม่มีบุคคลสองคนนี้แล้วเราจะไม่มีตัวเราอยู่เป็นอย่างนี้ได้คำถามต่อไปจากคุณน้ำข้อที่หนึ่งการพูดเพ้อเจรอที่ไม่ควรคือเป็นแบบไหนคะคือการพูดเล่นหรือเปล่าคะ การพูดที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะนี่ถือว่าเป็นการเพิดพูดเพิดเจ้อทั้งหมดสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พูดนี้มีอยู่10ประการด้วยกันที่เ ร, เรียกว่าไม่เพิดเจ้อคือพูดถึงเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องอความยินดีในสถานที่สงบสงัดวิเวกพูดถึงเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา เรื่องการดูดพ้นขั้นต่างๆเริมุติอย่างนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราควรพูดกันเพราะพูดแล้วจะทำให้เรานำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราถ้าเราพูดเรื่องนินทากาเล่อย่างที่ชาวบ้านนิยมคุยกันวิพากวิจารคนนั้นคนนี้พูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ ข้อที่สองการทําบุญแก้ชงเป็นการทําผิดต่อพระรัตนไตายหรือเปล่าคะคือการทําบุญทางพระพุทธศาสนานี้ให้ทําบุญเพื่อบุญเพียงอย่างเดียวบุญก็คือความสุขใจที่จะเกิดขึ้นจากการทําความดีต่างๆเช่นการทําทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมธรรมนี้ไม่ได้ทําเพื่อที่จะไป แก้อะไรทั้งนั้นทำเพื่อสร้างความสุขใจให้เกิดขึ้นคำว่าสุขใจนี้ก็คือบุญนี้เองซึ่งมีหลายระดับหลายชั้นด้วยกันชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานคำถามต่อไปจากคุณนัดดิฉันมีปัญหาชีวิตจนปัญญาจะแก้ไขดิฉันแต่งงานแล้วและแยกออกมาอยู่บ้บานของตนเอง ส่วนแม่เลิกกับพ่อเลี้ยงและอยู่กับแฟนใหม่ซึ่งขายของเล็กๆน้อยๆแม่จะมีปัญหาเรื่องเงินทองขาดมือบ่อยครั้งเพราะแฟนใหม่เขาชอบกินเหล้าขายเองกินเองทุนหายกําไรโหดดิฉันก็จะช่วยเหลือท่านได้เดือนละพันห้าเพราะต้องส่งให้พ่อเลี้ยงอีกพันห้าบางครั้งหนักหนาก็ช่วยเป็นก้อน เคยให้ดิฉันค้ำประกันเงินกู้เพื่อจะลงทุนขายของแต่ก็ส่งค่างวดไม่ได้ธนาคารจึงมาเรียกเก็บกับดิฉันหลังๆมาทุกครั้งที่มารดาโทรหาดิฉันรู้สึกหลอนไม่อยากรับโทรศพัพท์เพราะรู้ดีว่าต้องเดือดร้อนเงินทองแน่ๆและที่สำคัญคือเขาหลงแฟนใหม่มากพูดแต่ต้องแทบมีได้เลย หากมารดาเป็นเช่นนี้ต้องปฏิบัติต่อท่านอย่างไรดีคะก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เรามีความสามารถมากน้อยเพียงไรที่เราพอจะทำได้ก็ทำไปถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็ต้องเจริญอุเบกขาทำว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรนั้นเราก็ต้องมีความพอดีคือเราทำเท่าที่เราทำได้ถ้าทำจนกระทั่งเราเสียหายเดือดร้อนมันก็มันก็เกินพอเกินความพอดีไปนอกจากเราเป็นคนที่ต้องการที่จะอุทิศชีวิตของเราให้กับการทดแทนบุญคุณแก่พ่อกับแม่อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง ก็สามารถเลือกระดับการทดแทนบุญคุณได้เอาเท่าที่เราทำได้พอเราไม่เดือดร้อนก็เป็นระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็ยอมทนทุกข์ยากลำบากหรือแม้กระทั่งยอมเสียชีวิตเพื่อทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณวีระยุทธ กระผมตอนนั่งสมาธิแล้วในบางช่วงบางตอนรู้สึกว่าในตากระพริบทีๆอยู่ตลอดเวลาอาการนี้เกิดขึ้นหลังจากนั่งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วในตอนที่นั่งสมาธิก็ฟังธรร ม, มเทศนาของพระอาจารย์ไปด้วยกระผมควรปฏิบัติอย่างไรดีขอรับ ก็ไม่ควรไปกังวลกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิขอให้เราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมจิตใจถ้าเราบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าตากระพริบหรือไม่กระพริ บ, บหรือจะคันตรงนั้นคันตรงนี้หรือจะเป็นอะไรต่างๆที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกรับรู้ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจ ให้สนใจอยู่กับการบริกรรมพุทธโธไปอย่างเดียวในเบื้องต้นนี้จิตใจของเรามันจะสายแสบไปสร้างเรื่องสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาหลอกเราให้เราเสียสมาธิให้เราไม่มีสติเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญให้สาคัญให้ความสำคัญอยู่กับเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการเจริญสติ คือถ้าเราใช้การบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะมาปรากฏให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจถ้าใจเราเกาะติดอยู่กับพุโทโธได้ต่อไปทุกอย่างก็จะนิ่งสงบเองคำถามต่อไปจากคุณยาวนุชคำว่าพาหุหติแปลว่ายอย่างไรคะต้องไปถามคนอื่นนะถามอาจารย์กูก็ คำถามต่อไปจากคุณปียะการที่เรารักเขาจนยังลืมไม่ได้เป็นทุกข์อยู่คนเดียวภาวนาไม่ก้าวหน้าเลยจิตมันหัวนคิดแต่เรื่องเก่าๆอยู่เสมอเราลืมไม่ลงแต่เขาปกติดีทุกอยู่คนเดียวทํายังไงดีครับหลวงปู่ก็ให้คิดถึงอสุภะบ้าง ให้คิดถึงอาการสามสิบสองของเขาให้ดูส่วนที่เป็นส่วนที่สกรปรกน่ารังเกียจไม่น่าดูให้คิดถึงเขาถึงเวลาที่เขาตายไปแล้วจะน่ารักน่าคิดถึงหรือไม่ให้เจริญอสุภะดูในส่วนที่ไม่สวยไม่งามคำถามต่อไปจากคุณกระหนกศรีเวลาเราทำบุญเราออกแรงกาย ช่วยในการทำบุญร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากเราไม่มีเงินมากพอที่จะร่วมทำบุญแต่เราช่วยโดยใช้แรงกายจะได้บุญไหมคะได้เพราะว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาได้ความสุขใจนี้เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะด้วยกันเช่นทาทานจละทรัพย์ อันนี้ก็ทำให้เราสุขใจได้รักษาศีลก็ทำให้เราสุขใจได้อุทิศบุญให้แก่ผู้อื่นก็ให้ความสุขใจได้ช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นก็ให้ความสุขใจได้ชวนคนเดินมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็มีความได้ความสุขใจเาฉั้นบุญมีอยู่สิบประการด้วยกันการรับใช้ผู้อื่นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขใจได้มีบุญได้ โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเงินทำทานอย่างเดียวเท่านั้นบุญมีสิประการด้วยกันอย่างที่ได้แสดงไว้ข้อหนึ่งก็คือทานข้อสองก็คือศีลข้อที่สก็คือภาวนาข้อที่สก็คือการอุทิศบุญข้อที่ห้าก็คือการอนุโมทนาร่วมบุญกับผู้อื่นเวลาผู้อื่นก็ททำบุญเราก็ชื่นชมยินดีไปเราก็มีความสุขใจแล้ว แล้วก็การรับใช้ผู้อื่นการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการฟังเทศฟังธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้องเหล่านี้เป็นวิธีสร้างความสุขใจซึ่งมีแตกต่างกันไปตามตามแต่ละวิธีแต่วิธีที่สำคัญที่สุด ท, ที่ควรจะทำที่จะให้บุญมากที่สุดก็คือ ทานศีลภาวนาแลการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นบุญที่สำคัญถ้าเปรียบเป็นอาหารก็มีอาหารหลักการอาหารอาหารเสริมอาหารหลักนี่เรารับประทานกันเป็นประจาก็คือข้าวกับข้าวกับปลาของข้าวของหวานเครื่องดื่มต่างๆอันนี้น้ำน้ำที่ต้องดืม่ม น, น, นี่เราถือว่าเป็นอาหารหลัก ส่วนของของที่เป็นของเสริมมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นข น, นมนมเนยต่างๆถ้าเรายากจนบางวันเราซื้อได้แต่ข้าวกับกับก็กินข้าวกับกลับไปขนมน ม, นมเนยเครื่องดื่มชนิดต่างๆไม่มีปัญญาที่จะซื้อมารับประทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราก็ยังอยู่ได้ใจของเราก็เหมือนร่างกายอาหารหลักของเราก็คือทานศีลภาวนา ถ้าไม่มีทานก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญญาจะทาทานก็ไม่ไม่ทำก็ได้ขอให้รักษาสีให้ได้แล้วก็ภาวนาให้ได้ก็พอคำถามต่อไปจากคุณอนัญญาข้อที่หนึ่งวิธีการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกที่ดั้งจมูกเพียงแค่รู้ลมเข้าออกนั้นกับวิธีการที่เราจะต้องหายใจลึก เพื่อฝึกลมหายใจให้ละเอียดขึ้นนำจิตตามลมกำหนดรู้ว่าท้องยุบหรือพองควรจะปฏิบัติอย่างไรดีคะให้จิตสงบเพราะส่วนตัวแล้วมีลักษณะการหายใจที่เร็วและไม่ลึกคะ่ะถ้าต้องการทำใจให้สงบนี้ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมใช้ลมเป็นที่ยึดเกาะยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้น ใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวถ้าไม่มีอะไรเกาะร่างกายก็จะต้องไหลไปตามกระแสน้ำแต่ถ้ามีอะไรเกาะไว้ร่างกายก็จะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำใจของเราก็มีกระแสอารมณ์อยู่ภายในใจคือความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรเกาะไว้ใจก็จะไหลไปตามความคิดปรุงแต่ง ไหลไปในอดีตบ้างไหลไปในอนาคตบ้างไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างถ้ามีการไหลไปไหลามาอย่างนี้ใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปบังคับลมก็เป็นการทํางานเหมือนกันเป็นการปรุงแต่งเป็นการเป็นการทํางานของใจถ้าใจยังทํางานอยู่ไปบังคับลมให้เล็กให้ละเอียดหรือให้หยาบตามแต่ความต้องการอันนี้ก็ยังเป็นการทํางานของใจอยู่ ถ้าใจยังทำงานอยู่ใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ใจต้องรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวรู้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดบงต่งต่างๆดางนั้นเวลานั่งดูลมก็ให้ดูเฉยๆลมจะอยากจะละเอียดก็ไม่ต้องไป บ, งบังคับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันให้รู้ว่าอยากให้รู้ว่าละเอียด หายใจสั้นหรือหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจสั้นหรือหายใจยาวแม้แต่ลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปไม่ต้องไปตื่นตกใจอย่าไปปรุงแต่งว่าไม่มีลมแล้วเราจะตายหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดความปรุงแต่งแล้วใจก็จะถอนออกจากความสงบตอนที่ลมหมดนั้นแสดงว่าจิตล ะ, ะเอียดพร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบแล้วให้สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นให้รู้กับความ ให้ให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าไม่มีลมแล้วอยู่กับความว่างไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองข้อที่สองเวลาที่เราจะพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญานั้นเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เราพิจารณานั้นเป็นจริงตามจริงไม่ใช่เราเห็นผิดก็ ต้องทมตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พิจารณาเช่นสรงสอนให้พิจารณาความไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นความจริงทุกคนเราก็รู้เช่นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นความจริงที่ทุกคนรู้กันอยู่เพียงแต่ว่าไม่ยอมมองกันไม่ยอมคิดกันก็เลยเหมือนกับว่าไม่เห็นกันพอเกิดความแก่ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เกิดความเจ็บไขยได้ป่วยขึ้นมาก็เกิดความตื่นเต้นตกใจกันเกิดความตายขึ้นมาก็ร้องหผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันนี่แสดงว่าไม่เห็นความจริงไม่พิจารณาความจริงถ้าเราพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้ามันไม่หลงไม่เดิมเวลาเกิดความแก่มันจะรู้สึกเฉยๆ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เฉยเวลาตายมันก็จะเฉยได้เพราะมีปัญญาปัญญาก็คือเห็นความจริงรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เห็นอยู่ทุกขณะทุกเวลานาะทีมันจะไม่ลืมที่ที่ลืมกันก็เพราะว่าไม่เห็นตลอดเวลาไม่พิจารณากันตลอดเวลาไม่ชอบพิจารณาเพราะ กิเลสตัณหาไม่ชอบพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจึงจำเป็นต้องฉีดยาสลบให้กับกิเลสตัณหาก่อนอก็คือการเข้าไปในสมาธิก่อนเพื่อทำกิเลสตัณหาให้อ่อนกำลังลงให้มีกำลังน้อยพอออกจากสมาธิมาใจก็จะสามารถพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้จะไม่มีความรู้สึกหดหูใจ ธรรมดาถ้ามีกิเลสตัณหาแรงนี่จะไม่ชอบพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเพราะทําให้มเกิดความหดหู่เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาถ้าไม่พิจารณามันก็จะไม่จําเมื่อมันไม่จํามันก็จะลืมไปลืมไปว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเจอความเจอเจอความจริงเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็ทําใจไม่ได้ทําใจให้เฉยไม่ได้ แต่ถ้าคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนเกิดความชินชาจำได้ก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาที่เกิดความจริงขึ้นมาหมดคำถามจากทางบ้านค่ะหลวงพ่อทางนี้มีแล้วยกมือขึ้นมาแล้วคุยใกล้ๆหน่อยพอดีเพื่อนของลูกสาวนะคะเขาแต่งงานได้ประมาณสี่ห้าปี แล้วก็สามีเขาก็เป็นเล็ดเส้นเลือดในสมองโปง่งแล้วก็แตกตอนนี้ก็ไม่ค่อยรับรู้อะไรทั้งสิน้นนี่เพื่อนลูกสาวเขามีความทุกข์มากเลยเขามีความรู้สึกมัอนอนาคตมืดหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โทรมาปรึกษาลูกสาวลูกสาวก็โทรมาหาก็พยายามคัดหนังสือคําสอนท่าอาจารย์ค่จากพวกกําลังเ อ, อจุลธรรมนําใจทีนี้ก็ยังคิดว่ามันยังไม่ตรงมากาค่ะก็อยากจะขอธรรมะจากท่านอาจารย์สั้นๆว่า แต่เขาบอกว่ามีคนพูดเรื่องทําไมให้เขาฟังเยอะแล้วเพื่อนสนิทก็พูดก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนสนิทเขาก็ยังเด็กๆอยู่ยังไม่ลึกซึ้งอนะ่ะก็อยากจะได้ธรรมะท่านอาจารย์ที่เพื่อว่าเขาจะได้สบายใจขึ้นนะคะนั่นค่ะก็มันเกิดขึ้นแล้ว mm hmm. เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนมันได้เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเหมือนกับเราดูภาพยนตร์ดูเทปแล้วเราสามารถอ่ะ ช่วงนี้ไม่ดีไม่น่าดูก็ถอยกลับไปสัก5ปีตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆความชีวิตมันถอยหลังไม่ได้ชีวิตมันมีแต่จะเลื่อนไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นอย่าไปฝืนอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นชีวิตของเราเรายังดําเนินต่อไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเขาต่างหากที่เป็น เขาเป็นก็ปล่อยเขาเป็นไปเราก็ยังสามารถอยู่เป็นความสุขได้และเราควรจะใช้บทเรียนอันนี้เป็นวิเป็นการสอนใจเราให้เราเลือกทางใหม่จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเลือกทางเดิมเช่นไปหาคนใหม่เดี yeah. ๋ยวเราก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันอีกได้แต่ถ้าเราอยากจะไปแบบที่ไม่เจอปัญหาแบบนี้เราก็ต้องเลือกทางของพระพุทธเจ้า ทางของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องใช้ร่างกายของของเราหรือของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราก็คือการภาวนานี้เป็นการทําใจให้สงบเพราะถ้าเราได้ความสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการแต่งงานกับกับแฟนกับสามีของเราแล้วเราก็จะไม่ต้องมา ทุกเวลาที่สามีหรือคู่ครองของเรานั้นเป็นอะไรไปสอนเขาว่าให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่านานๆเราจะได้เห็นสัสสจธรรมความจริงชัดเจนคนเราต้องทุกข์ก่อนมันถึงจะเกิดปัญญาได้เพราะถ้าไม่ทุกข์ไปบอกยังไงก็ไม่เชื่อเหมือนเด็กบอกว่าอย่าไปแตะอย่าไปเล่นกับไฟเด็กก็ไม่เชื่อเพราะไม่รู้ว่า ผลของการเล่นกับไฟไมันจะเป็นอย่างไรต้องปล่อยให้เขาไปโดนไฟไหม้ซะก่อนไปจับไฟเข้าหรือจับไฟฟ้าแล้วโดนไฟดูดทีนี้ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปบอกเข็ดแน่แกลัวแน่แน่ตอนนี้เขาเจอความทุกข์แล้วจากการที่เขาไปเล่นกับไฟจากการที่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายคนั้นควรจะเอานี้มาเป็นบทเรียนสอนใจว่ากาลังเดินไปในทางที่ผิด ตอนนี้เรายังมีโอกาส ท, ที่จะเปลี่ยนทิศทางการเดินของเราได้เรามีพระพุทธศาสนาที่จะชี้ทางให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาเอาไปสอนเข้าไปบอกเข้าอย่างนี้เป็นยังไงพอหรือยังก็พอสมควรแก่เวลานะ ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่ยงยิ่งขึ้นไปเธอ